หลักอินทรียภาวนาหัวข้อที่สองเรื่องที่หนึ่งเสขาปฏิบทคือผู้ยังฝึกศึกษาดูก่อนอานนท์ก็พระเสขะผู้ยังปฏิบัติอยู่เป็นอย่างไรดูก่อนอานนท์รอเห็นรูปด้วยจักสุสภาพที่น่าชอบใจก็เกิดขึ้นสภาพที่ไม่น่าชอบใจก็เกิดขึ้นสภาพที่ทั้งน่าชอบใจ และไม่น่าชอบใจก็เกิดขึ้นแก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้เธออึดอัดเบื่อหน่ายรังเกียจด้วยสภาพน่าชอบใจสภาพไม่น่าชอบใจสภาพทั้งน่าชอบใจและไม่น่าชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วนั้นๆเพราะได้ยินเสียงด้วยหูเพราะดมกลิ่นด้วยจมูกเพราะลิ้มรสด้วยลิ้นเพราะถูกต้องโผฏฐพัสดุ์ด้วยกายเพราะรู้ธรรมารมณด้วยใจเธออึดอัดเบื่อหน่ายรังเกียจ ด้วยสภาพน่าชอบใจสภาพไม่น่าชอบใจสภาพทั้งน่าชอบใจและไม่น่าชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วนั้นๆดูก่อนอานนท์อย่างนี้แหลชื่อว่าพระเสขะผู้ยังปฏิบัติอยู่อินทรียภาวนาข้อที่สองเรื่องที่สองาวิตินี ผู้ศึกษาพัฒนาจบแล้วดูก่อนอานนท์ก็พระอาริยะผู้พาวิตินรีย์คือได้พัฒนาอินทรีย์แล้วเป็นอย่างไรดูก่อนอานนท์พราะเห็นรูปด้วยจกักษุสภาพที่น่าชอบใจก็เกิดขึ้นสภาพที่ไม่น่าชอบใจก็เกิดขึ้นสภาพที่ทั้งน่าชอบใจและไม่น่าชอบใจก็เกิดขึ้น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 เราจะเว้นคำหนึง่งทั้งปฏิกูลและไม่ปฏิกูลทั้งสองอย่างมีอุเบกขาอยู่โดยมีสติสัมปชัญญะก็มีอุเบกขาในสิ่งนั้นๆอยู่โดยมีสติสัมปชัญญะได้ดูก่อนอานน o ์ข้ออื่นยังมีอีกเพราะได้ยินเสียงด้วยหูเพราะดมกลิ่นด้วยจมูกเพราะลิ้มรสด้วยลิ้นเพราะถูกต้องผลทพัสด้วยกาย เพราะรู้ธรรมอารมณ์ด้วยใจสภาพที่น่าชอบใจก็เกิดขึ้นสภาพที่ไม่น่าชอบใจก็เกิดขึ้นสภาพที่ทั้งน่าชอบใจและไม่น่าชอบใจก็เกิดขึ้นแก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้ละจนถึงเธอนั้นหากจำ侬ว่าเราจะเว้นคำนึงทั้งปฏิกูลและไม่ปฏิกูลทั้งสองอย่างมีอุเบกขาโดยมีสติสัมปชัญญะก็มีอุเบกขาในสิ่ง น, นั้น อยู่โดยมีสติสัมปชัญญะได้ดูก่อนอานนท์อย่างนี้แหลชื่อว่าพระอริยะผู้ภาวิตินีคือได้พัฒนาอินทรีย์แล้วคำว่าปฏิกูลไม่พึงมองความหมายแค บ, แค บ, แคบอย่างที่มักเข้าใจทำนองว่าสกรปรกยกตัวอย่างตามที่ท่านอธิบายไว้เช่นคนหน้าตามิดี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 ไม่ใช่แค่บริโภคด้วยมืดมัวด้วยโมหะเพียงที่จะสนองความอยากเสพด้วยตัณหาดังความที่ตรัสว่าดูก่อนจุนทะเรามิใช่แสดงธรรมแก่เธอทั้งหลายเพื่อปิดกัน้นบรรดาอาสวะคือความเสียหายหมักหมมที่เป็นไปในปัจจุบันอย่างเดียวเท่านั้นอีกทั้งเราก็ไม่ใช่แสดงธรรมเพื่อป้องกันบรรดาอาสวะที่จะเป็นไปในเบื้องหน้าเท่านั้นหากแต่ว่า เราแสดงธรรมทั้งเพื่อปิดกัน้นบรรดาอาสวะที่เป็นไปในปัจจุบันและเพื่อป้องกันบรรดาอาสวะที่จะเป็นไปในเบื้องหน้าด้วยดูก่อนจุนทะเพราะฉะนั้นแลจีวรใดอนุเราอนุญาตแล้วแก่เธอทั้งหลายจีวร น, นั้นควรแก่พวกเธอเพียงเพื่อเป็นเครื่องป้องกันหนาวป้องกันร้อนป้องกันสัมผัสแห่งเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลาน เพียงเพื่อเป็นเครื่องปกปิดอวัยวะอันยังความละอายให้กำเริบบินธบดอันเราอนุญาตแล้วแก่เธอทั้งหลายบินธบา น, นควรแก่พวกเธอเพียงเพื่อความดำรงอยู่แห่งกายนี้เพื่ อ, อยังกายนี้ให้เป็นไปเพื่อระ ง, งับความขาดอาหารอันจะเบียดเบียนชีวิตเพื่อเกือ้อกูลพรมจริยาโดยรู้ว่าต้องการปฏิบัติดังนี้ รอจากบรรเทาเวทนาเก่าได้ทั้งจากไม่ยังเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นด้วยแล้วเราก็จกมีชีวิตที่ดำเนินไปราบรื่นพร้อมทั้งความร้ายโทษและความอยู่สาราญเสนาสนะใดอันเราอนุญาตแล้วแก่เธอทั้งหลายเสนาส น, านั้นควรแก่พวกเธอเพียงเพื่อเป็นเครื่องป้องกันหนาวป้องกัน ร, ร้อน ป้องกันสัมผัสเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานเพียงเพื่อเป็นเรื่องบรรเทาอุตุอันตรายเพื่อเป็นที่มีความเรื่อนรมในการหลีกเร้นกีฬานปัจจัยเพศัตว์บริขารอันเราอนุญาตแล้วแก่เธอทั้งหลายกีฬานปัจจัยเพศัตว์บริขารนั้นควรแก่พวกเธอเพียงเพื่อเป็นเรื่องบำบัดเวทนาทั้งหลายอันเนื่องจากอ า, าพาธต่างๆที่เกิดขึ้น เพื่อความเป็นผู้ไม่มีทุกข์ยากเป็นอย่างยิ่งฉชนี้สมหรับเรื่องนี้ในบางแห่งตรัสเป็นคำสอนเชิงปฏิบัติให้พิจารณาในเวลาที่จะเสพ บ, บริโภคอย่างที่มีคำเริ่มต้นทุกข้อว่าปฏิสังขายุนิโสขอยกตัวอย่างมาเฉพาะข้อพิจารณาอาหารบิณฑบาตซึ่งมีความเพิ่มเติมในตอนเริ่มต้นดังนี้ ข้าพเจ้าพิจารณาแล้วโดยแยกไขจึงฉันอาหารบินทบาทโดยรู้ตรหนักว่ามิใช่เพื่อสนุกสนานมิใช่เพื่อติดรถหลงมัวเมามิใช่เพื่ออวดโอกโกเก๋มิใช่เพื่อประดับประดาแต่เพียงเพื่อความดำรงอยู่แห่งกายนี้บรรดาปัจจัยสี่นี้ข้อที่สองเสนาสนะแปลตามสับว่าที่นั่งและที่นอน คือที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยใหญ่ทั้งเป็นที่ตั้งอาศัยและครอบคลุมปัจจัยข้ออื่นๆจะปรุงจะรับประทานจะเก็บอาหารเสื้อผ้าจะนุ่งห่มแต่งตัวเป็นต้นแทบทุกอย่างทุกประการก็อาศัยเยนาสนะทั้งนั้นจนกระทั่งในการถวายทานพระพุทธเจ้าเคยตรัสแสดงความสำคัญไว้ว่าผู้ให้ข้าวน้าชื่อว่าให้กาลังให้เสื้อผ้า ชื่อว่าให้ผิวพันณให้ยานพาหนะชื่อว่าให้ความสะดวกสบายให้ประทีปโคมไฟชื่อว่าให้จักสุส่วนผู้ใดให้ที่พักอาศัยผู้นั้นชื่อว่าให้ทุกอย่างและผู้ใดสั่งสอนธทรรมผู้นั้นชื่อว่าให้อมริตสำหรับพระสงฆ์ เศาสนะมีความหมายยงขยายออกไปตั้งแต่กุฏิที่อยู่ส่วนตนจนถึงที่อยู่อาศัยร่วมกันอันรวมเป็นวัดที่มีคำเรียกเดิมตามพระพุทธานุญาตว่าอารามซึ่งแปลาสามัญว่าสวนแล้ววัดคืออารามนั้นก็เกิดขึ้นมาจากป่าคือวนะและหรืออุทยานดังเห็นได้ชัดจากกำเนิดของวัดแรกในพระพุทธศาสนา ที่พระเจ้าพิมพิสารถวายแด่พระพุทธเจ้าคือเวรุวันอุทยานและวัดสําคัญที่ประทับยาวนานที่สุดคือเชตวันอุทยานที่มาเป็นเชตวนารามพุทธานุญาตให้มีวัดซึ่งปรารบการถวายเวรุวันอุทยานของพระเจ้าพิมพิสารนั้นว่าอนุชานามิพิขเวอารามังจากอารามคือวัดในวนณะ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 มีสภาพธรรมชาติพืชพันธุ์กบไก่นกกาเป็นต้นที่ชวนใจให้มายินดีคำว่าอารามนี้บอกความสัมพันธ์ทางจิตใจที่พึงประสงค์ซึ่งภิกษุหรือผู้ศึกษาพึงมีเป็นพื้นฐานต่อสถานที่อยู่อาศัยอันเหมาะนั้นแล้วขายายออกไปให้ถิ่นแดนที่ตนเกี่ยวข้องเป็นอารามที่มายินดีมีใจเท่านั้นคำว่าอาราม โยงภิกษุหรือผู้ศึกษานั้นลึกเข้าไปทางด้านความเป็นอยู่และการปฏิบัติธรรมด้วยคือโยงต่อเข้าไปถึงแดนของอินทรีย์ใหญ่ภายในอันได้แก่ใจให้มีอารามคือความยินดีในเรื่องต่างๆขยายต่อออกไปอันที่เป็นหลักๆเช่นบวิเวการามมีความสงัดวิเวกเป็นที่มายินดีปฏิสันลานาราม มีความหลีกเร้นเป็นที่มายินดีแล้วก็ลึกลงไปถึงปหานารามเป็นการแก้ไขละเลิกอกุศลธรรมเป็นที่มายินดีภาวนารามมีการเจริญคือพัฒนากุศลธรรมเป็นที่มายินดีอารามด้านตรงข้ามที่ปึงละเว้นก็มีเช่นนินทารามมีการหลับเป็นที่มายินดี กรรมารามมีงานยุ่งเป็นที่มายินดีภสษารามมีการพูดคุยเป็นที่มายินดีสังฆนิการรามหรือสังสารรามมีการคลุกคลีหรือมั่วสุมเป็นที่มายินดีตลอดจนรูปารามสัทธารามมีรูปมีเสียงเป็นที่มายินดีและอื่นๆ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 คำนี้ชี้บอกไปที่สภาพของบรรยากาศที่ชื่นชูใจอันพึงประสงค์ยิ่งสำหรับผู้ศึกษาที่จะเกื้อกูลให้เจริญงอกงามก้าวไปด้วยดีในการศึกษาพัฒนากุศลธรรมและสำหรับท่านผู้จบการพัฒนาแล้วก็จะสัมผัสพบสภาพรมณีนี้ได้ง่ายดายหรืออย่างพร้อมทันทีเพราะมีสัมผัสที่ไม่มีกิเลสแฝงงาหรือกั้นบงังกับทั้งท่านเองนั่นแหละ เป็นผู้พร้อมที่จะทำให้ถิ่นฐานสิ่งที่แวดล้อมเป็นรมณีคือเป็นที่เรื่นรมทั้งแก่องค์ท่านเองและแก่ผู้อื่นทั้งหลายที่ทเข้ามาใกล้ชิดหรือแวดล้อมด้วยรมณีภาวะที่น่าเรื่นรมจึงเป็นคําที่ปรากฏทั่วไปในพระไตรปิฎกเหมือนเป็นบรรยากาศหนึ่งของพระไตรปิฎกนั่นด้วยเริ่มตั้งแต่ในพุทธประวัติก่อนตราสรู้ เมื่อพระโพธิสัตว์เสด็จเที่ยวทรงสแสวงหาสถานที่อันเหมาะที่จะทรงบำเพ็ญเพียรในที่สุดทรงพบที่อันเหมาะเช่นนั้นนุนนนรุเวลาเสนานิคมดังคำตรัสในวาระนั้นว่าภาคพื้นภูมิสถานที่นี้เป็นที่เรื่นรมจริงหนอบาลีว่ารัมณโยวตะมีไพรสนร่มรื่นหน้าชื่นบานทั้งมีแม่น้ำไหลผ่าน น้ำสาสเย็นชื่นใจชายฝั่งท่าน้ําก็ราบเรียบทั้งโคจราคามก็มีอยู่โดยรอบเป็นสถานที่เหมาะจริงหนอที่จะบำเพ็ญเพียรสําหรับกุลบุตรผู้ต้องการทาความเพียรภิกษุทั้งหลายเรานั่นแลได้นั่งลงแล้วณที่นั้นโดยตกลงใจว่าที่นี่หละเหมาะที่จะบาเพ็ญเพียรคำว่าโรมณี อาจมานรูปอื่นๆเช่นรัมมะและรา ม, มนนยกะเป็นต้นด้วยเพราะกฎเกณฑ์ทางสันทลักษณ์พระพุทธเจ้าและเหล่าพระสาวกเมื่อเสด็จไปประทับหรือไปอยู่และผ่านไปในที่ต่างๆโดยเฉพาะตามป่าเขาแดนไกลมีคำบันทึกไว้ว่า ท่านเด็กกล่าวถึงสถานที่นั้นๆว่าเป็นที่รื่นรมบางทีก็พรนานาไว้ด้วยว่ารื่นรมอย่างไรดังตัวอย่างพระเอกาวิหาริยาเทระกล่าวถึงบรรยากาศในทินที่ท่านไปอยู่วิเวกเป็นคาถาความว่ามเมื่อลมเย็นพัดพาพากลิ่นดอกไม้หอมฟุ้งไปเรานั่งอยู่บนยอดเขาจากทําลายอวิชชา ณเงื้อมผาที่ดาระดาษไปด้วยดอกโกสุมมีภาคพื้นเยือกเย็ยนในแดนป่าเราผู้เป็นสุขแล้วด้วยวิมุตติสุขจะเรื่อนรมอยู่ในถ้ำแห่งคุนเขาอย่างแน่นอนพระมหากัสปากลับจากบินทบาทเดินขึ้นภูเขาก็กล่าวคทถาประพันธ์ชื่นชมความเรื่อนรมในแดนป่าดังที่มีบันทึกไว้ยืดยาวเช่นตอนหนึ่งว่า ภาคพื้นภูผาเป็นที่ร่าเริงใจมีต้นกลุ่มมากมายเรียงรายเป็นทิวแถวเสียงช้างร้องก้องกังวานเป็นรมยมัยสถานถิ่นคุนเขาทำใจเราให้เรื่อนรมคุณเขาสีเทมเนดุ่ดเมกงามเด่นมีทานน้ำเย็นใสสะอาดดารดาดด้วยพื้นหญ้าแผ่คลุมมีสีเหมือนแมลงค่อมทองถิ่นคุณเขาทำใจเราให้เรื่อนรม ยอดภูเขาสูงตรงานเทียบเมฆเขียวทะมึนมองเห็นเหมือนปราสาทตร์กำปนาด้วยเสียงช้างกำรนร้องเป็นที่ร่าเริงถิ่นคุณเขาทำใจเราให้รื่นรมรวมความดังได้กล่าวแล้วพระอระหันต์ได้พัฒนาอินทรีย์แล้วเป็นพาวิตรินีท่านเองนอกจากรอมที่จะสัมผัสบรรยากาศที่รื่นรมได้โดยพลันแล้ว ถึงแม้ถ้าที่นั้นไม่น่ารื่นรมท่านก็มองหรือวางใจรื่นรมได้เมื่อไปในที่รื่นรมก็รื่นรมโดยไม่มีอะไรกีดกันแม้ไปในที่วุ่นวายก็กลายเป็นทำสถานที่นั้นให้รื่นรมคนใดมาใกล้หรือได้แวดล้อมก็พลอยรื่นรมใจดังคถาที่ว่าไม่ว่าบ้านไม่ว่าป่า ไม่ว่าที่ลุ่มไม่ว่าที่ดอนพระอระหันต์ท่านผู้คลายกิเลสอยู่ที่ไหนที่นั้นไซเป็นภูมิสถานอนันรื่นรมกายภาวนาเป็นการพัฒนาพื้นฐานขั้นต้นซึ่งจะสำเร็จผลสมบูรณ์เป็นจริงก็ต่อเมื่อได้พัฒนาจบสิน้นคือบรรลุผลของปัญญาภาวนาแต่เมื่อพัฒนาจบสิ้นสมบูรณ์แล้ว